ถ้ทุทาทา่านหยทภาวนาแล้วก็หยุดไการทิจตนาวางอารมณ์เ่เฉยพันจิตน้อมไปตามเสียงของผูน้นาแต่ว่าผู้นำวันนี้จะมีท่านพลตรีกินดาพลตรีวินดาท่านพระุทธนรกถ้าพันโพสีพันวิญญาณแล้วถอนลดางโหมดและจงี กิรันดาแล้วก็แมวแมววัชรีอ ต, ออตอนนี้ไปขอให้ทุกคนตั้งกำลัดใจแต่ั้นห่าคือรูปกิรันดาสัญญาชั้นสามัญญาเป็นข้อย่างนีดกว่าตัวใถทาความหมายหาไฟจีวรากายเกิดที่มันจิตตุกที่เราทุกข์เพว่ามีรูปร่างร่างกายนี้เป็นสคัญ ถ้าเราปฏิจาร์รูปร่างร่างกายและความทุกข์เนี่ยก็ไม่มีท่นนี้เก็ไร้โรคภัยไปเส็่อมเป็นเพื่กับื่อใช้ร่างกายความแก่เท่าจะมีได er. ้ก็เพราะร่างกายเป็นสำคัญความหิวโหยความเดือดร้อนต่างๆมีเชื่อก็ใชร่างกายความขัดข้าจากกันจะมีได้ก็เพราะใช้ร่างกายถ้าในสุดความตายเข้ามาถึงเชื่อเราไม่กาธนาก็อาใช้ร่างกายเป็นสำคัญ แังนั้นองค์สมเดจระสัมมาสัมพุเจ้าทรงเห็นโทษโทร่างกายสมเด็จพระจอมไตรปิฎกมัสการดาที่นี้ทรงแนะนาไปในทายมหาสิทธิานและสุทุกบทว่าถ้าพวกเธอทั้หลายต้องความบนต้องทายความบริสุทธิ์อนุสิตต้องการค้นจากความทุกข์ต้องการค้นจากความ้าโตเสียใจเหนือยรู้ไม่กระเสงที่มีความสุขโดยเฉพาะ โยมอยาสนใจกายภายในคือร่างกายของเราแกรตยาสนใจตายภายนอกคือร่างกายของบุคลอื่นแกรตยาสนใจในทในวัตถุธาตุต่างๆทั้งหมดการมีโอสด็จพระบรมสุขส่งสอนอย่างนี้เพราะว่าสนใจสมาฮวมวันนีโส่าบว่าถ้าเราไม่จิตในร่างกายที่อย่างเดียวผลที่เราจะได้ไม่จบถึงผลิตผล ขอบันดาท่านพุทธ a w a สัตวทุกท่านเวลานี้คิดว่าเราไม่มีร่างกายแล้วมันเมนุษย์จะโรคที่ไปได้ทุกความทุกเราไม่ต้องการเอวันโลกกับอมตโลกเป็นแดนที่มีความปกติกราบหมดคุณวัตถนามารีต้องการมาเกิดใหม่เราก็ไมาทการอารมณ์ที่เราต้องการก็ถือว่าไม่ผาน แล้วตอนนี้ไปต่อของทั้งหมดดือกันนะทำจิตไหมืนกันขอรัตนาบารมีพระองค์สมเด็จสมมาจุติเจ้าเรื่องทรงนามวพระสมณะโพธมพรมคือก็มีจิตเจาขออัดาผู้ข้าพรเจ้ารู้จักบาปคุณคุณโทษงระโยชน์ไมประโยชน์และรวมทรงโปดที่ทรงทางแต่สนิททาง อ๋อสมเด็จพระวิฆเนมารพรมังสาสันดาสมมาจักรุษาได้โปทรงพระแก้พระเจ้าขอได้โปรดเสด็จมาแสดงะองค์ให้พเจ้าเนครับถ่างลินได้เห็นอย่างพระเจ้าทรงรูปเป็งดียังคงนีนี่็มครับี่เหลืองไหมใสมากไหมครับแต่ใสได้แหละ กั น, นองนีเห็นนะต้งมีอะไรอย่างนี้ที่เราควเล้ยงสุยดาเมืนกันไหมอจะมีแหะแต่หม้อยังไงแมงเนี้ยดีด yellow, ดดดไห <dzie> มเออมันลดไม่เหมือนเลยอ่าจอมนีทุกคนเขาได้โปรดตั้งใจ การตั้งนาบารมีก็ออกสมเร็จตั้มาตังพระปิจาวพรที่วันนี้จะเสด็จมาแล้วนะวันนี้ทรงรูปทรงแกราบราวพระพิเคเป็นพระพิแก้วเปื้อนสีเหลืองเปื้อนสีทอเป็นพระเนรพระโกวโสธานถ้าตั้งใจจะโรดระรวันนี้ตั้งใจสทิเ แต่เราอบารมีองค์พระฤาษีพระบรมเชวฐาชีตที่ว่าพวกเราเนี่ยทุกคนเวลาจะขึ้นไปสูงเวลามนีเจดีสถานพ็เพื่อโบรักัดรงันไปโดยจับใจแต่วันนี้ไม่เอาจะขอให้ทุกท่านขึ้นไปตามทางสายของเขาเท่านั้นเอึ่งนี้ไม่มีใครไปเลย ยังคอยทุกคนคอยโอทุนเดชธรรมมาถึงพุทธเจ้าในสมโภชทุกคนนำพุทธมรัคเสื่อไปพุทธลามุนีปีริสฐานตามสายของทางเขาพระสุเมรุํามัเสียทางตามแหกเราได้โปรดจุตรงนั้นก่อนเรื่องที่คนินดาเห็นทางไปไหมไปได้ใช่ไหมทางสีอะไรสีเหลืองแปลว่า นี่ด่เลยนะทุกคนทกนี่ยแล้วอร่อยเนี่ยไมราเลยมันรสนี้ะเขขาวลคะขาวแดงเลยถเหลิมแต่ว่ามีเออค้าัแว่าหมเออออโดขาวแดงเล่ะี่แ่เนดาขาวัเออแล้วก็อะไรไอคี ขาวงั้นทัทุกคนตั้งยืนฐานใหม่ก็ขอองค์สมเด็จะจอมจรุทมณฑลดานีทุกคนเห็นสีขาวบ้างรงนกสีเหลืองบ้างทรขาวบนเหลืองบ้างแต่วาจริงทางสายนี้เป็นทางสีขาวสายที่เจ้าระกายนี่ยขออภารมีองค์็จะจอมไตรุมณฑลดาโปรดให้ข้าจาหนครัตาบาปีเองนโยมนา แดงขาอย่างสมาธิอะไรดหน่อยครับแตการเห็นสีไม่เหมือนกันนี่จะมาขึ้นกับสมาธินะขึ้นกับสมาธิทีนี้ก็ขอผู้ฟังเลั้ตอบ่าสีขาวบ้างทีเหลืองบ้างกันสดทราบว่าสมาธิของเราแจ่มใสหรือไม่แจ่มใสเช่นใดถ้าไม่แจ่มใสแจ่มใสน้อยไปหรือต่ำไปนิดหนึ่ อ่ตอนนี้ไปในขณะนี้ทุกคนอยู่ที่ทางสี่แยกนี่ยังอยู่แล้วจอยู่แล้วนะที่ทางสี่แยกนี้นอก จ, ออ า, อจากองค์ต้งเดือนสัปดา้าแล้วเห็นพิสดารสุองไหมเห็นไหมะค่ะเห็งใช่ผู้ชายอยู่ซ้ายมือซ้ายซ้ายมือนะพิสดารเาะถามนี่ท่านติดอินใช่ไหมน่ไม่ถูกปนะใช่ไหมจ้ะ ถามท่านพี่ว่าตามไปสวรรค์ไปทไหนบอกซ้า ย, ายมือท้ายมือนี่แล้วน้าท่านแล้วอาไปไหมใช่ทุกท่านตามไปต้งแล้วขามือ้ามือตามไปนรกตรงไปตรงไปนะทุกคนอย่าเลนกันอลนี้ะทุกท่านนี่ต่อขอออกคุณฑท่านนะแล้วประเดี๋ยวจะถอนญาติในโลกจะไปสบายก่อนี่ต่อไปแล้วขอระนาดรมีพระองค์สมเด็จพรเนวน เอ็นโสรดสงฆ์ น, นำบรรดาพรสะจารยั้งหมุซึ่นดันด้เขาขึ้นสู่เพื่อไปสู่พระสุลา ม, มินทีดีสถายแต่ว่าพอถึงกางทางพระองค์ก็เดือดรุนแรมาในตัวจับย้างดีกว่าพักกระยางล้บจ้ะตังแล้วนะจะต้องพัระยาในด้ื่องเดียวนะนะ ยูทักการทางกลายเขาสมเมมองมองล่างมันมนุษย์เห็นไหมเห็นนหน้าเสียก็ได้ลหน้าเสียหน้เสียมันจะจบหมดใช่เห็นมันเป็นเละมันเละเลยูดทางที่เราเลยก็ไม่ได้ใช่หมมันมมัวด้วยเอมมันมืดืดจืดมัวๆน่าจบจบแต่บริเวณที่เรายินอยสย่ไสยนะ แล้วก็ต่อไป้ายทุกคนมองรอบรอบของบารมีพองค์สเด็จตุสัมมาฯทุกอย่างแดนนี้อยูกลางเขาเสมอนี้เป็นที่ตั้งขโมนหมูเทวดาจารุมหาราชพรอ์ํมเร็จพระบรมโรรคกันราเปสดโสดบันดาลให้บันดาพุทธบริษัททั้งหมดจึงนี้ไอ้ขโมนเทวดาจารุมหาราชทั้งหมดเห็นหมดยัง เป็นเป็นไอ้หมดเป็นหลวงพตามใช่ไ่อยากจะไปา้มะได้หมคดิดมาแล้วนะช่แต่ว่าวันนี้เป็นทางที่เราไปเนี่ยเราจะนำเขาเน่ยขอทุกคนตั้งใจไปจุดเดียวเลยไปถ้อยองค์พระเดชธมาท่านพระเจ้าเป็นหลวนั่เป็นสูงไม่ลดท่าลดกระ ขอองสมเด็จพระอรหันตโปดเรียกพระมาดาผิ้ตาองค์เราถึงความเป็นธรสัญสัญสุดเลยมาข้อมือาแล้วมาแล้วแต่องค์เป็นตัวแบบไหนแบบดาวแบบดาวเทวดาเทวาเออเค่งระดับพื้นีิอะไรนะพื้นผิวทองมีทองมีทองสมบูรณ์เลย จอดาว่นเจ้าสมุหารดาเป็าตเอาตเรื่องรงเป็นที่เก็คือสมนิยมแต่มันทรงใช่ไหมใช่ครงจะมันเนือต่างไปกับทรงนี้อยูเนี่ย่มดูแก้วนะแต่เรางมาพร้อมแล้วเราต้องระบาันนะเาท่านในีคใหญ่โดยข้าี่โรนี้เป็นขารีษยทั้งหมดแต่แล้วถามว่าพระราชาเป็นที่นี้จะเป็นชาติอไหนนะ ทอกกล่าวฮะแ่นถมท่านจะพรดอะไท่านบอกจะไหนไป่นาเลยทไมที่ใหม่จะถามเพราะอะไรเราเราเคยถามถามมาแล้วเดี๋ยวดาไม่คุ้นสงครั้งอาเนื้เกดกถามที่ว่าท่านจำทานาคามนแล้วก็อยปยิ้มโ้นยกนึงสาวยิ้ยโน้ยกเอาองอย่างเลยนะ เพระเจที่จะบอกกันกันบอถามแน้เลยบอกแต่วารปีนวันนี้ที่รู้แล้วที่ถางก็โตมาอย่างนี้ก็ตื่รู้ด้วยจะนึก่าขอลาท่ลนะลาท่านและก็ทพอองค์สาเด็จพระธรรมมาฉพุทธเจ้าโดยตรงลงพระน่ขึ้นสู่เกศพุทธลาโนีเจดียสถานแล้วก่อนที่ใกล้จะถึงที่ไม้พระองค์สาเร็จพระันมารัโตรลธพระท้านิ่อนจาบันดาพระจุลจักร ต้นไม้สวยไหมใหญ่มากหรือไม่ใหญ่เป็นแก่และเอ็นรและเเงินแก่แะเป็ะสมาชิกจันท์เป็นที่ะนะสมาชิกจันทร์ใสกันดีเปนแก่โปรต้นม้นี้คุณถามองค์สมเด็จตัณมาสมุทรเจ้าที่ว่าเป็นบุญญาทิไกของท่านธรรมมาลาภิังนา ใช่ เ, เ น, าาานี่ยท่านมายาพาลีทียบรากฏนี้ปกติท่านก็นเว็นคนชอบอยู่ต้นไม้ตามทางต่างๆไอ้คล้ายกับต้นปู่หรือไก่โดยชอบให้เป็นที่ทับงทุกคนเดินทางหรือว่าคนเดินทางที่เดินทางมามันแดดป็นกล้ามีร่มเงาไม่พอถ้าได้ใช้ต้นไม้และแต่นิดเดียวจะมีความสุขน อามายจะไปตั้งอยู่บรดาวดึงทีเดียวว่ดาวดึงเป็นหมดแล้วเลยตร้งทางรยะทางทเียวถึงดาวดึงนี่อกเดียวถึงสุรารานทางขึ้นไป้ร้่อกเรืันนานน้อยขึงไปเรื่อยเรื่อยใช่ไหะต่อต่อไปก็ขอกราบองค์องค์ขุนเดชประจำไตรบริมันตรัยสนดาสัมมาสัมพุทธญาณนำบรรดาพุทธบนตร์สัจจินเดียสุาามันนี้ แนะต่ระวัี่จะตัวถึงอเดินไปมืปมันตายตู้มือมันตายอย่างตู้มันตายไดแล้วค่ันต า, ายเป็นแก้วหรือเป็นทองแก้วแก้วถูกต้องมันเป็นนักบวสมาที่ดีมากเต็มที่เลยนะแตทุกคนตอนนิ่ภไปแล้วขอบารมีพระองค์สมเด็จตัณฑ์มาท่านก็ยิ่งยาวผ่านารเดินรอบรอบพระจุราลัยพระสันดูสีสันวันนะ ว่าพุทธลามณีเนี่ยใหญ่โตกว้างขวางมากไหมใหญ่ากใหญ่มากนะใหญ่นะก้แก้วแก้อะไรสีอะไรเี่ด็ดสีด็ดอตเดินต่อไปแล้วดูองค์ประดาซิองค์ประดาที่อยู่เป็นยอดพุทธลามณีเนี่ยไอ้องค์สีหางมันเป็นแสบกมันเป็นแก้วหรือเปล่าแก้วสองตอนนี้เป็นแก้วมณี ในตอน่นืแล้กเดินไปรอบๆอโอะๆมันจะสุดจัมม่ามันจะั่นําเข้าพระจลันมัีแต่ที่ประตูวันนี้ที่ไปให้หน่อยสาขาที่ตัวเขบอกไปในสาขาต้องการยาลักโอ้ที่จะสุดจัมมามุ่งมั่นไปประตูยังงเสร็จแล้วยแปลพี่ชายว่าอะไรัวไอันนี้ที่แต่ตัวสวยเป็นี่ใช่ สวยใช่ไหมแต่ลนว่าตอนนี้ใปเราขออนอุญาตให้ที่เหมรุสกขานำตามองจนเดชสมมาพรจะพุทธเจาเข้ า, ขาภายในพระภูลามนุษยจินตนาาหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหนะแล้นีแม่มาหรือาเนี มาแ้วย่างนั้นแต่วยเศรีเศรีองรทอามเจ้าพระู่ญายามาใชนละคนที่นี่หมดท่าที่หงพ่เป็นเ้า่านเป็นต้นท่านเหท่านเขรัวพรเจ้าแวลมีสมเด็จพระจัมสมุทรเจ้าขอท่านยตรงไหนนะารกลานะใต้ท่านี่อะไรที่เจ้าที่เก้ เวลานี้พระองค์ทรงร์ู้ทรงประมาทเจ้าประดับอย่างพงเดิมใช่ไหมค่ะเรื่องที่อระดับประดับแก้วนะท่านเียสลานี้มวาสามกนะขอบรมีิรัดพระ้รมาเจ้าให้พวกเราทั้งหมดได้เห็นในบริเวณทาในบริเานทั่วบริเวณทั้งหมดเป็นสานี้นะสว่างค่ะ ดูรอบรอบพิจาราวันนี้แก้วตาแล้วใครไหสวยไหม่ไหมครับตอนนี้ก็ขอที่มีจุดนึ่ก็คือวัดเที่ยวแก่พระมูลีมีท้าวโตชีพิการเทวร่าก็คือพระอินทันปูนนะที่ท่านนำมาไว้ทีนขออนุญาตองสมเด็จพระจอใจและขอประธานประธานทนท่านปู ขอให้ไปดูเรืองเกี่ยวกับวัลีท่องพัฒมาลีพระองค์เป็นพระสัมมาวชิราจึงทรงพระนามว่าธรรมณะสงฆ์ท่านไปดูไว้ตรงไหนเอ็พาไปดูเป็นอย่างแล้วค่ะแล้ท่านไปขอให้ไปดูไปดูเรื่องอะไรนะเป็ระอบใ่อบแก้วอบแก้วนะถูกต้อแล้วขอให้ท่านได้เห็นเรืเกี่วกแก้ว เป็นไเ้เหมือนปาในแก้วมนตาลข้ารน้ำาเออปบอลาัั็นแก้วแตราไอันนีคนที่จะเป็นู้เเจ้าจะมีองแตกต่มันมธรรมดาคือท่านจะเกิด็บเล่นเองเ่ไปึงก็ยังมีวแก้วอยู่ในในในปากา จว่าจะมีเที่ยวจะมีฟันใสมีแก้วแกววาวแบบนี้นะหรือว่าใช่เราจะได้เป็นเมื่อเป็นวรฒิเจ้าแล้วเที่ยวเนี่ยจะได้แก้วมาตึงกันเป็นมตั้กแต่เกิดก็มีรัศละแต่บางทีเห ada, ็นขโมยหรือว่าหมดผมหมดผมตื <meeting. S 2> like. ่นสภาพเด็กผมธรรมดาเป็นยางเหมือนอะไรอย่างนี้เป็นเหมือนเ้นไหมว่าว่าแบบนัรนค่ะ ขาว่าใดเอ็นแดงว่ดมเสียว่าใดมือเจ็ดีนะสยดนากาศดีท้องหวงั้นเองจะตายไปนะจะเอามือสามาก็ว่าขอให้มึงเลือู่เคยอยู่ตรีอยู่ตนโลกบอกสังัดในวโลกคือว่าพระมามีเขาดีเขาเที่ยวแจวเขาดีขอะองค์สเด็จพระสัมารุเจ้าติสเด็จพระอรสไมาบรรจุรวมกันทย่ในกุลาวมีีสถาน แล้วขอญาติปู bait, ่นะแล้วขอได้โจทย์หวงพระเจ้าแก้วพระอบที pues ่ไต nope> ้หละเพี่ยจ้เแก้วกมบูรณ์ของพระเจ้าทีต้ององค์ดูที่มีมรดกอะไรเยอะเยอะเลยมากเลยมากเลยครับท่านนี่เป็นเหมือนกับเป็นแสนแสนเป็นแสดงว่าพระเจ้าเน่ยโจทย์ดับขึนมามากมายแล้วไม่ใช่มีอยู่แปดองค์การที้ส่ สวยกันใช่วยขอให้พมาลีกับเที้ยวแก้วแสดงปวฏิหาริย์กาตรก่นนะตอนนบารมีของรถเก้ขอให้รถเี่ยวแก้วกับมาลีแสดงปฏิหาริย์แสดงเป็นนอเป็นส้งกาับปรีใช่ไหตัวง่ไหมแก็มนไมนััดดงะ ามนะากเอาเนี่เราดูในสิ่งที่เราไม่เคยดูนะนะแกนนั่นก็กราบเที่ยวแก้วสมาีแต่ว่าเวลากราบราย้เลกนอยองําเร็จกิณสีบริบาลสันดาสัมมาสัุทเจ้าผูุโธที่เป็นเจ้าของเที่ยวแก้วสมาวีครับตามทเราดูใหม่ที่เห็นเป็นลูกขององค์ะูกพราูกพระเจ้าเวลาที่เขา่ากราบกันนะ ถ้าเที่ยวแก้วกับพระมารีนี่จะปรากฏเป็นพระรูปผสมพระองค์สำเ็จเป็นสันามมาสำเร็จเเจ้าแต่ลองค์แต่ลองคเคยไหมทรงพระภริษฐาไม่ใช่พระภริษฐาต้องเป็นพระภริองค์เจ้าไม่ดีนะนี่เป็นที่หลวงพ่ อ, อนำมาให้นำมาเรียนนี่เป็นนา ม, มาในส่วนหนี่เราไม่เดินมากันนะแต่พระแ้ใก่ไหมแต่แไม่มีเวลาบรรยายนะมันต้อนใ น, ใ น, นะ อารมัญยาที่มีสีอะไร ม, ไมีสีงลงรู้หลายสีใช่ไห ม, ไ, ม, รรมไหมือนนะเหมือนกับรุกงินน้ำนะแตเป็นศัพธรรลงสีนับโดยดีที่พบหสีไหมพบนะแตกด่าจำไม่นะนีเร่นีมีประโยชน์ที่เรารู้จักศัพธรรลังสีนี่ถ้าเวลาเราป่วย และวปิสบายหรือว่าใจเราเป็นทุกข์ถ้าเวลาเราเป็นนายกันข้าหรือว่าภาวนายพดีแต่กลายปดไว่แล้วสีหรือถ้าพันนาลสีดลายปดให้ทราบว่านำน้อมพทะเจ้าทรงโปรดนะต่อไปก็ขอระทานที่สูงนำมาที่หน้าองค์สมเด็จตุลาสมาเจ้าคทณเจ้าและก็ทรงขอพรในองค์สมเด็จพระพิโรธเอาไว้พันยาพันนายที่อย่างนี้ n h ักแล้วไอมนี่มาก้วได้ยืมตัวยาละอยากยืมเ่าอยาื้อนายเล้งเป่อไอ้ี่เน้จับมือจับมือมือเรียกที่แดงเอออะไรแดไปหยาออยู่ข้างหลัง้ยแดงอ้แดงยาอะไร ตัวได้ไม่ได้เลเนาะเออตัวตไม่เกบแกอะไรแน้วแต่เราอากให้ขอแทนนะตอนนี้ก็ขอองค์สมเด็จให้องค์สมเด็จสมาเจ้าเรื่องสวประธานตอนขอองค์สมเด็จพระจินนวรมนตรดให้ข้าว้เจ้าได้เห็นืทวันดาแด้ชมทั้งหมดและพระนิจเจ้าสมบัติที่ไร้สดสอยอยู่ในสุรามุนิเจน เยอะไหมเยอะเยอะมเยอะเลยพระสมีสวางมากไหมสวางสวางเลยแดงครับพระสมีแดเทียบกับอะไนได้ครับพระสมลาวตัวเราหนอาจอง นาค า, า, า, า, er ามีสาสิบตาคำมีสี่รูปโสดาห้าตัณหีใกล้ไทยเลยก็ก็ตั้งการนะตั้งใจเลยครับได้ไาแล้วสองของแกเน ไม <c oughs> ่อยากเที่ยวทำมแล้วก็มาไงแค่ไม่ใช่เทียดดูเราแะท่านสว่างจะได้รู้กันบ้างทีทัาไหน ไปจิตนเวลานี้นะอเอก็มิดาสันผัหนะครับนะเข้าส่อตอนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนตั้งจิตสัญญาณต่อหน้าองค์สมเด็จสุตมารผเจ้าว่าที่องค์สมเด็จสมารุเจ้าเป็นทรงธรรมานรกายแสดงว่าธรรมเทศนาสดบรรดาทุบนสรลายเส้นสวดเสความุขเพื่อใคนจาความเกิดแก่เก็บตาย จำโยกเอาสมเด็จพระจอรปิฎมาสานตดาสมมาสต์าสาละว่าตเกิดมูกาเรียนไหว่าวัตถะจะหาความสุขคได้สม็จระจอรมาวการติีในรูปเวทนาสั้นยาวขันยิใหญ่กายดีติ่ในักก็ดีติงในวัฏฏะบันไดดีอีเรียกสภามาทุกข์ทวทาวสุขทจึงมได้ ดังนั้นสมเด็จพระจอมเกล้าฯบรมนาถบพิตรย่งให้พวกเราทางการตัดขันท่าเพือไม่มีความตัดงานในกายเกิดมีผลเกิดสุรเดเกิดผลไอ้มีจิตเป็นโยมโดยพ่อใหญ่หนุ่มหรือันแต่ขออมาตระองค์สมเด็จพระพิตรมารว่าข้าพุทเจ้าทุกคนได้ทราบวามาสัหารนายพระองค์สมเด็จพระพุทธสุโขทัยบรมนาถแล้วข้าพุทธเจ้าขอตัดภาวะร่างกาย ในหัวใจในความเป็นมนุษย์ในความเป็นเทวดาและสมเจ้าขออนุยมเฉพาะอย่างหนึ่งคือพรมิตรานุภงขอบารมีพระองค์เด็นทัศนีธรรมานรบาลศาสดาสรรมานุส้าถ้าพระเจ้าจะถึงที่พระมในรานุภาพนี้แล้วพระองค์เด็จทัศนีแก้วประโยให้บารมีบารมให้รจะนีกายข้าพระเจ้าเทียบเ่ากับอริยานบสนา แต่จะกคมถึงยางอาะไรนะด า, า, าะดวนานลหลักยดดาวม่อยหรไปแอ่เรื่องนี้อะยังแรงสมมุติสมมตนั้นเนี่ยแรงมาต่อสู้ไปดีไม่ไปดี่าจะดูหน้ายากที่ อย่ายิ้มเยเลยใ่หมเนี่ย้าเอ่อคนนึกแบบแต่งงาครับเจ้าของคนที่จะแต่งงานกับตุภูต้องหลบแต่งงานกับตุภูขอเา่ตดตูและชิ้นนี้กายอยเข้าไปเที่ยวตอนนั้นไม่ได้เพราะว่านี่เราเที่ยวจะไม่ได้เราจะเป็นเลยนะเขาจะนั่งบเวลานี้เรื่องเเจ้าตรงทีพัดว่าเราเราตุภูจะไสตัดแ้หมดข้าตัดชิ้นใจตัวพิชาจริง และจิตความภาวกิตเนื่องในการเป็นมนตราเป็นคนนะเป็นมนุษย์เป็นมนตราและเป็นลมจิตเรานี้ยมโดยเฉพาะ อ, อย่างที่มีพระนิพพานเพื่อมีพระิพพานยารมีเองเนะใจไว้ทุกคนเราทําความดีทุกอย่างกับคนคนดีกั บ, กบค่คนดีเราปฏิบัติคนดีใจเระทําความดีอย่างนี้เราไม่หวังผลตอบแทน เป็นรางวัลในการนพอดีไม่าถก็ดีหรือไม่ดังคนเจริตางก็ไม่ต้องกาเราต้องใลเระทาอย่างเดียวคือเรื่องพวกพวกเราเพื่อให้เข้าถึงอุปนิสันเวลานี้ดูที่จิตใจเราลอดภัมากประาเดิมไมนะสงสัยเพิ่มนะนี่จะไม่ดีนะเราทาอย่างนี้เราไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษเราไม่ต้องการเกิดเป็นพุทมดาเราไม่ต้องการเกิดเป็นม ขนาดที่เราทำให้เสร็จเความดีสรับคนไทก็ตามเราไมาจาาา่จะตายคำสุดเชยสองเราจะการผลตอบแทนเราจะทำเพื่อบริธานอย่างเดียวตอนนี้นะี่ยที่ใจของท่านดีแล้ใช่ไหมดีแล้วเนี่ตถ้ที่ไปก็ทุกคนมัจจัการขององค์สมเด็จเจะจดจใจบริบูรณจากนา เ่องนี้แล้วก็ขอให้เป็นหน้าที่ของท่านแมเลเซาท่านแม่พราปู่ท่านย่านะรูก้อนเ้แต่ท่านปู่ท่านย่าเลยเกิดคนนั้มาคนเจ้าก็อยู่กับมูลชราอาจละต้องแบบว่าเป็นภาระขท่านแม่กับเเลยลเซากราบสมเด็จตสมาทุกระจาขอให้ท่านปู่อัจาปู่ท่านย่าและท่านแม่พระาีใเลเซคานาไปสู่มายูกับวูลชรา มีวันนี้สว่างดีไหมสวางะเราทุกวันใช่ไหว่เออเป็นไงรองรองบ้านดีเป็นไกสดบายกสบาลนมวูต้นแคปล่อยวยมยมากจะเสียอะไรแคบปล่อยง เจ้าที่รุ่งนะวันนี้สั่งทุกอย่นะวันนี้ท่านส่งอเต็มที่เนี่ยดูแลดีนะจำไวดีนะพอีแปล่าเปลี่ยนกายเปลือยพุงมรนจะดีรุ่นะอันนี้จำไว้ดีว่านี่เป็นของที่ยงเย็นเ็นวันนี้นะแต่ที่เราเห็นเองบางวันมันก็ไม่